จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่29เสิงหาคมพุทธศักราช2552เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญมาปฏิบัติ มาเสริมสร้างบุญบารมีให้แก่ชีวิตจิตใจที่จะนำพาชีวิตจิตใจไปสู่ความสุขความเจริญความร่มเย็นเพราะการบำเพ็ญการปฏิบัติบุบญบารมีนี่แลเป็นปัจจัยเป็นต้นเหตุของความสุขความเจริญความร่มเย็นทั้งหลาย ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่การประพฤติอยู่ที่การบำเพ็ญอยู่ที่การปฏิบัติวันนี้เราก็มาบำเพ็ญเรื่องเมตตาบา ร, รมีกันคำว่าเมตตานี้หมายถึงความปรารถนาดีอย่างวันนี้ญายโยมมีความปรารถนาดีต่อวัดต่อวาต่อพระภิกษุสา ม, มเณรมีความ สงสารคือมีความห่วงใยในเรื่องการอยู่ ก, การกินก็เลยได้นำาอาอาหารขค้าหวานกับข้าวกับปลาของใช้ไม้สอยต่างๆมาถวายพระนี่ก็เป็นการแสดงออกถึงความปรารถนาดีความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขเรียกว่าเป็นความเมตตา สับเบสัตตาสุขที่อตัตนาปาริหามังตุขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีสุขคุ้มครองรักษาตนเถิดนี่คือความหมายของความเมตตาอีกอย่างหนึ่งก็คือสับเบสัตตาอเวราหุนตุขอให้สัตว์ทั้งหลายจงไม่มีเวรมีการกันเลยกันเลยเถิด ก็คือขออย่าได้จองเวรกันคือเราอย่าจองเวรจองกรรมกันใครทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายอย่างไรก็ยกให้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมไปัผู้ใดทากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเราไปจองเวรจองกรรมเท่ากับเรามา สร้างบาปให้กับตัวเราเองสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราเองเวลาที่เรามีความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทใจของเราจะรุ่มร้อนด้วยไฟของนรกไม่มีความเมตตาหลงเหลืออยู่ในใจเลยทั้งๆที่เมื่อก่อนเราก็รักเราก็มีความเมตตาแต่พอถูกทําร้าย ถูกกล่าวหาว่าร้ายต่างๆใจก็ถูกอำนาจของโมหะความหลงหลอกให้เกิดความโกรธความเครียดแค้นขึ้นมาซึ่งไม่เป็นผลดีต่อจิตใจเลยเพราะว่าผู้อื่นเขาจะพูดอะไรเขาจะทำอะไรเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้และการที่เราจะต้อง ทุกร้อนหรือคิดจะสร้างบาปสร้างกรรมนี้มันก็เป็นความโง่เขลาของเราเองก่อนหน้านี้เขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้ทำอะไรใจของเราก็เต็มไปด้วยความเมตตามีความปรารถนาดีแต่พอเขาพูดอะไรเขาทำอะไรที่ไม่ถูกใจขึ้นมาก็ทำให้เรากลายเป็นอีกคนหนึ่งไปเลย ตายจากพระไปเป็นมารตายจากมนุษย์ไปเป็นยักษ์เพราะขาดความเมตตาใจของเรานี้เป็นยังเป็นใจที่คลิกไปพลิกมาได้อยู่ยังไม่มั่นคงไม่เหมือนใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านมีความมั่นคงเพราะมีธรรมะเป็นหลักยึด แต่พวกเรานี้ยังไม่มีธรรมะคือยังขาดเมตตาบา ร, รมีที่แท้จริงเมตตาของเราส่วนใหญ่มักจะออกมาจากกิเลสซะมากกว่าคือถ้าเราชอบใครเราก็จะมีความเมตตาต่อคนนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องของความเมตตาที่แท้จริงเพราะว่าความเมตตานี้ต้องไม่เลือกคน ไม่เลือกว่ารักหรือชังต้องอยู่เหนือความรักความชังต้องอยู่ตรงที่เห็นว่าความเมตตานี้เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเราและแก่ผู้อื่นเป็นปัจจัยที่จะทำให้ใจของเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุดแต่พวกเรายังไม่ค่อยอยู่ในระดับนี้กัน เรามักจะเมตตากับคนที่เรารักคนที่เราชอบหรือคนที่เขาทำประโยชน์ให้กับเราถ้าคนที่เราไม่รักไม่ชอบไม่ทำประโยชน์ให้กับเราเราก็จะไม่มีความเมตตาอย่างนี้ไม่ใช่วิธีของการเจริญเมตตาเพราะการเจริญเมตตาไม่ว่าจะให้กับคนที่รักหรือไม่รักเราก็ไม่ได้ขาดทุนอย่างไร ให้กับคนที่เรารักเราก็ไม่ขาดทุนให้กับคนที่เราไม่รักเราก็ไม่ขาดทุนเราได้กำไรเพราะทุกครั้งที่เรามีความเมตตาใจของเรามีความสุขมีความสบายใจตรงกันข้ามกับเวลาที่เราไม่มีความเมตตาใจของเราจะทุกข์ร้อนขึ้นมาอยากกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายเป็นโทษกับใจของเรา ดังนั้นเราต้องดูใจของเราเป็นหลักดูผลที่เกิดที่ใจของเราเป็นหลักอย่าไปมองคนที่คนอื่นเป็นหลักคนอื่นเขาจะดีจะชั่วก็ไม่ควรที่จะยับยั้งความเมตตาของเราเราควรที่จะมีความเมตตาอยู่สเสมอไม่ว่ากับใครไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูเราให้ความเมตตาได้ แต่การจะแสดงออกนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่จะรับความเมตตาของเราได้หรือไม่ถ้าให้ความเมตตาแล้วเขาไม่ยินดีรับเราก็ไม่ต้องให้ก็ได้เช่นเรายิ้มแย้มทักทายถามสารทุกข์สุขดิบแต่กับได้รับการเมินเฉยอย่างนี้ครั้งต่อไปเราก็ไม่ต้องแสดงออกมาก็ได้แต่ภายในใจของเรา ก็ยังควรมีความเมตตาอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่การแสดงออกนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการละเทสะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ขึ้นอยู่กับบุคคลว่าเขาพร้อมจะรับความเมตตาของเราได้หรือไม่เหมือนกับเราจะเทน้ำใส่แก้วให้เขาแต่เขาคว่ำแก้วไว้อย่างนี้เราเทไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราสู้เก็บน้ำไว เพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นดีกว่านี่คือเรื่องของความเมตตาเป็นประโยชน์กับใจของเราอันนี้เป็นหลักสาคัญอย่าไปคิดถึงผู้อื่นที่จะได้รับประโยชน์ผู้ได้รับประโยชน์นั้นได้รับประโยชน์ไม่มากเท่ากับเราได้รับเวลาเราให้อภัยใครได้นี้ใจของเราจะเย็นจะสุขจะสบายจะไม่เป็นยากเป็นมาร จะไม่ไปทำอะไรที่เสื่อมเสียจะไม่ไปสร้างเวรสร้างกรรมแล้วก็กลับมาจองร่างจองผานเราอีกนี่คือเรื่องของความเมตตาที่ท่านตัดว่าสัพเพสัตตาอเวราหุงตุเราต้องให้อภัยได้เราต้องไม่จองเวรจองกรรมได้เพราะมันเป็นโทษกับเรามันไม่ได้เป็น คุกับเรานั่นเองอีกลักษณะหนึ่งของความเมตตก็คือสเพสัตตาอานีคาหงตุขอให้สัตว์ทั้งปวงจงอยาเบียดเบียนกันเถอดก็หมายถึงว่าอย่าสร้างความทุกข์ให้แก่กันเลยไม่ว่าจะเป็นการลักทรัพย์ของผู้อื่นก็ดีการประพฤติผิดประเวณีผิดสามีผิดภระระยาของผู้อื่นการโกหกหลอกลวงผู้อื่น หรือแม้แต่การทำลายชีวิตของผู้อื่นเป็นการกระทําที่เรียกว่าเป็นการเบียดเบียนเป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นผู้ที่มีเมตตามีความปรารถนาดีย่อมไม่คิดที่จะทําสิ่งเหล่านี้ในเรื่องของความเมตตาทีนี้เราก็พูดถึงเมตตาแล้วเราก็ต้องแผ่เมตตากันเวลาเราแผ่เมตตา ส่วนใหญ่เราคิดว่าเราต้องสวดมนต์ไหว้พระให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยแผ่ออกไปแต่ความจริงการแผ่แบบนั้นเป็นการฝึกซ้อมเป็นการทํากันบ้างยังไม่ได้เป็นของจริงการแผ่เมตตาที่แท้จริงก็ต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกับบุคคลต่างๆเวลาเราเจอคนเรายิ้มทักทายต่อได้หรือเปล่า ถ้าเรายิ้มทักทายก็ไม่ได้แสดงว่าเราแผ่เมตตาไม่ออกถ้าเราเจอใครไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูเรายังแผ่เมตตาออกไปได้หรือเปล่านี่คือการแผ่ที่แท้จริงต้องแผ่ตอนที่เราอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่เราพบปะผู้คนหรือตอนที่เรามีความอาฆาตพยาบาท ค, คิดร้ายผู้อื่น ตอนนั้นแหละเป็นเวลาที่เราต้องแผ่เหมือนกับเวลาที่ไฟไหม้เราถึงใช้น้ำมาดับไฟเวลาไฟไม่ไหม้เราเพียงแต่ซ้อมเครื่องไม้เครื่องมือไว้ก่อนเช่อนอาคารสูงๆมีคนอยู่เยอะๆเขาจะมักจะต้องมีการซ้อมหลบหนี้เพลิงซ้อมดับเพลิงกันพอเวลาเกิดเหตุการณ์จริงๆ จะได้ไม่สับสนโลมาจะได้รู้ว่าจะต้องทำอะไรเช่นเดียวกับการแผนเมตตาเวลาที่เราไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วเราส่วนบทสเปสัตาอเวราหุนตุนี่ก็เป็นการเตือนสติเป็นการให้เราฝึกซ้อมความรู้สึกที่ดีนี้ไว้ให้แก่ผู้อื่น เวลาที่เราเจอผู้อื่นเราจะได้แผ่ได้เช่นเราเจอคนที่เราไม่ชอบเราก็ซ้อมก่อนเวลาเราไหว้พระสวนวนเสร็จแล้วก็นึกถึงคนที่เราไม่ชอบเราก็พยายามแผ่เมตตาไปให้กับเขาอย่าไปมองตรงส่วนที่ไม่ชอบขอให้ไปมองในส่วนที่ที่เขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้น เป็นพี่เป็นน้องในเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายดัยงนั้นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนี้มันก็พอเพียงแล้วเราไม่ต้องไปซ้ำเติมด้วยการคิดอาฆาตพยาบาทคิดร้ายต่อเขาถ้าเราคิดอย่างนี้ได้แล้วเราก็จะแผ่เมตตาได้ถ้าเรายังไม่มี ความรู้สึกเมตตาเราก็ให้นึกถึงคนที่เรารักคนที่เราชอบคนที่เราแผ่ความเมตตาได้พอเราแผ่ความเมตตานั้นออกมาได้แล้วเราก็เอาความเมตตานั้นไปให้กับคนที่เราไม่ชอบตอนต้นเราก็แผ่ให้กับคนที่เราชอบก่อนแล้วเราค่อยขยับออกไปจากคนที่ชอบเป็นคนที่เฉย แล้วก็ไปหาคนที่เราไม่ชอบนีน่คือการฝึกซ้อมไว้ก่อนพอเราอยู่ในเหตุการณ์จริงเราจะได้รู้ว่าเราสอบผ่านหรือไม่หรือายังสอบตกอยู่ถ้าเจอคนที่เราไม่ชอบเรายังหน้าบึ่เตึงอยู่ยังยิ้มไม่ออกยังแผ่ความเมตตาความปรารถนาดีให้กับเขาไม่ได้แสดงว่าเรายังสอบไม่ผ่าน เราต้องกลับไปทางการบ้านใหม่ต้องเรียนซ้ำชั้นอีก <c oughs> เหมือนกับเด็กที่จะสอบเอ t ทรานสเข้ามาหาวิทยาลัยถ้าสอบไม่ผ่านก็ต้องกลับไปซ้อมใหม่ไปเรียนใหม่แล้วก็รอปีหน้ามาสอบใหม่ <c oughs> นี่คือความหมายของการแผ่เมตตาซึ่งต่างจากการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลบางทีเราเกิดความสับสนเข้าใจว่าการแผ่เมตตา กับการอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลนี้เป็นอันเดียวกันการอุทิศบุญส่วนกุศลนี้ <c oughs> เป็นการอุทิศบุญที่เราได้ทำเช่นในวันนี้พอเราทำบุญแล้วเราก็มีบุญที่เราจะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้แต่ผู้ที่จะรับบุญส่วนนี้ได้ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะของสามเวสีเท่านั้นคือเป็นเปรตเท่านั้นเป็นผู้ที่ ออกมาจากนรกใหม่ๆแล้วไม่มีที่พึ่งพาอาศัยไม่มีญาติไม่มีพี่น้องที่จะพึ่งพาอาศัยเห <c oughs> มือนคนที่ออกมาจากคุกใหม่ๆไม่รู้จะไปไหนก็เลยต้องมุ่งไปหาคนที่รู้จักถ้ามีใครเข้ามาในฝันและขอความช่วยเหลือเรานี่แสดงว่าเขา เขาเป็นวิญญาณที่เขาต้องการความช่วยเหลือนี่แหละคือบุคคลที่เราสามารถอุทิศส่วนบุญให้กับเขาได้ส่วนบุคคลอื่นนั้นเขาไม่สามารถรับได้หรือเขาไม่จําเป็นจะต้องอาศัยบุญอุทิศเช่นถ้าอยู่ในนรกก็ไม่สามารถรับบุญส่วนนี้ได้ถ้าเป็นเปรตถึงจะรับได้ ถ้าเป็นเดราชฉานเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องมารอรับบุญส่วนนี้เขามีเพื่อนเขามนีฝูงเขามีวิธีหาินหาความสุขของเขาได้ถ้าเขาเป็นมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเขาเป็นเทพเป็นพรหมก็เช่นเดียวกันเขาไม่จำเป็นต้องพึ่งบุญส่วนนี้บุคคลที่จะรับหรือพึ่งบุญส่วนนี้ก็คือเปรตหรือสามประเวศีท่านั้นดังนั้นการอุทิศส่วนบุญนี้ อุทิศให้คนเป็นไม่ได้เช่นเราทำบุญแล้วอยากจะอุทิศนี้ให้กับพ่อกับแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่กับลูกกับสามีกับภรรยาเราอุทิศไม่ได้เขาต้องทำเองจึงต้องทำความเข้าใจแต่เราแผ่เมตตาให้กับเขาได้เรามีความปรารถนาดีให้กับเขาได้เวลาเจอพ่อเจอแม่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกราบว่า เจอสามีภรรยาก็ยิ้มแย้มเข้าหากันเจอเพื่อนเจอญาติก็ยิ้มแย้มใส่กันไม่ใช่หน้าเบื้องตึงใส่กันนี่คือเรื่องของแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้แผ่ให้ได้กับทุกสัตว์ทุกบุคคลทั้งที่มีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิตอยู่แต่ส่วนใหญ่เราแผ่ให้กับบุคคลที่มีชีวิตอยู่เพราะเราจะเจอคนที่มีชีวิตอยู่ มากกว่าคนที่ไม่มีชีวิตอยู่นั่นเองแต่สำหรับบางท่านที่มีมีดวงตาพิเศษสามารถติดต่อกับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วเขาก็สามารถแผ่เมตตาให้กับผู้นั้นได้ <suffer. S 1> เช่นเวลาเขามาเข้าพบในสมาธิหรือเข้ามาในฝันเราก็ต้อนรับขับขับสูญอย่าไปขับไล่สายสนยินดีต้อนรับ ควรจะถามสารทุกสุดดิบอย่าไปกลัวเขาเขาก็เป็นเหมือนเราดวงวิญญาณของเขากับดวงใจของเราก็เป็นอย่างเดียวกันต่างกันตรงที่ว่าเขาไม่มีร่างกายเหมือนเราเรามีร่างกายเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนสูงตายไปแล้วมาเยี่ยมเราเราอย่าไปกลัวเขาเขาคิดถึงเราเขาอยากจะพบเราเราก็ควรจะต้อนรับเขา ไม่ต้องไปกลัวไม่มีอะไรน่ากลัวเพราะดวงวิญญาณไม่สามารถทำอะไรดวงใจของเราได้นอกจากความกลัวของเราเท่านั้นที่จะทำลายใจของเราได้ทำให้ใจของเราทุกทรมานโดยใช่เหตุนี่คือเรื่องของเรื่องของการแผ่เมตตากับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลขอให้เราแยกแยะทำความเข้าใจให้ถูกต้อง จะได้หายสงสัยกันจะได้ทำให้ถูกบางคนคิดว่าทำบุญแล้วทำให้กับลูกได้ทำให้กับสามีภรรยาได้ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่นี่ทำไม่ได้เขาต้องทำเองแต่ถ้าเขาตายไปแล้วแล้วเขามาขอส่วนบุญส่วนนี้เขาก็จะรักได้ถ้าเราอุทิศให้กับเขาไป การมนีเมตตานี้อ น, นิสง์ก็มีอยู่หลายประการด้วยกันคือหนึ่งจะทำให้เราเวลาตื่นก็ดีหรือหลับก็ดีเป็นสุขอยู่เป็นสุขทั้งหลับและตืน่นเวลานอนหลับฝันก็จะไม่ฝันร้ายจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายไปไหนก็จะมีคนคอยคุ้มครอง คอยดูแลคอยรักษาคอยปกป้องเราแลวก็จะไม่ตายด้วยอาวุธคือจะไม่ถูกผู้อื่นฆ่าจะไม่ถูกรอบวางยาพิษเพราะเราไม่มีศัตรูเราไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนทาไม่ได้ทำให้เขาเกลียดแค้นอาฆาตพยาบาทเราเราจึงควรที่จะ แผ่เมตตาอยู่เสมอเพราะแผแล้วจะทาให้เรารักษาคุณงามความดีที่เรามีอยู่ไว้ได้และจะทำให้เราทำความดีที่เรายังไม่มีให้มีเพิ่มมากขึ้นไปได้อยู่ที่เมตตาบารมีนี้เองนอกจากเมตตาบารมีแล้ว ก็ควร จ, จะเจริญโอเบขาบารมีด้วยโอเบขาบารนีก็คือการทําใจให้เป็นปกติคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่เสียอกเสียใจไม่ดีใจไม่ว่าจะอยู่กับเหตุการณ์อะไรก็ตามเหตุการณ์ดีก็ไม่ดีอกดีใจเหตุการณ์ร้ายก็ไม่เสียอกเสียใจ การที่เราต้องอยู่เฉยๆนี้เป็นเพราะว่าถ้าเราใจของเราไม่อยู่เฉยๆแล้วเวลาดีใจแล้วถ้าเกิดสิ่งที่เราดีใจด้วยเกิดเข้าเปลี่ยนไปเราก็จะเสียใจทันทีเช่นเราได้อะไรมาที่เรารักเราชอบเราก็จะดี อ, อกดีใจแต่พอสิ่งที่เรารักเราชอบเปลี่ยนไปเขาไม่ดีเสียแล้ว หรือเขาจากเราไปเราก็จะเสียใจก็จะเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราทำใจให้วางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเราได้อะไรมาก็ต้องเตือนสติว่ามันเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไปเมื่อไรไม่รู้ว่าจะจากเราไปเมื่อไรเราก็ไม่ไม่ควรจะไปดีอกดีใจ เพียงแต่รับไว้แล้วก็ใช้ไปตามความจําเป็นถ้ามีความจําเป็นก็ใช้ไปถ้าไม่มีความจําเป็นก็เก็บไว้ก่อนก็ได้หรือจะเอาไปให้ผู้อื่นก็ได้แต่ถ้าเราไปดี อ, อกดีใจแล้วเราก็จะเกิดความหวงแหนขึ้นมาเวลาที่เขาจะจากเราไปเราก็จะเกิดความ โกรธ ค, ความเสียใจเวลาใครมาหยิบเอาไปมาแย่งเอาไปเราก็จะเกิดความโกรธผู้นั้นขึ้นมา ท, าทันทีเราก็จะเสียเมตตาไปด้วยถ้าเรามีอุเบกขาบาราีแล้วเราจะสามารถอยู่อย่างปกติสุขได้ไม่ดีใจไม่เสียใจไม่วุ่นวายกับเรื่องอะไรเพราะเราจะมีขันติ มีความอดทนอดกลั้นเวลาเราเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบเจอกับสิ่งที่ร้ายแรงต่างๆเราก็วางเฉยได้ใจไม่ไม่วุ่นวายใจเป็นเหมือนก้อนหินการที่จะทำใจของเราให้เป็นอุบเบกขาได้ก็คือเราต้องฝึกสมาธินี่เองเราต้องพุทธโธพุทธโธบริกรรมพุทธโธไปเรื่อย นั่งหลับตาแล้วก็บริกรมพุโทโธพุธโทโธไปจนกว่าใจจะสงบนิ่งพอใจสงบนิ่งแล้วใจก็จะเป็นอุบเบกขาขึ้นมาความอุบเบกขานี่ไม่ใช่เป็นความเฉยเมยเป็นความนิ่งของใจเป็นความสุขของใจเป็นปกติของใจไม่ต้องเสแยสรซถ้าเฉยเมยนี่เป็นการเสียแซ่เวลาได้ยินได้ฟังอะไรแล้วทำเป็นเฉยเมย อย่างนี้แสดงว่าใจยังมีความรู้สึกอยู่ยังมีความรู้สึกรักหรือมีความรู้สึกชังอยู่แต่พยายามทําเฉยเมยอย่างนี้ไม่ใช่อุเบกขาถ้าเป็นอุเบกขาแท้ๆแล้วมันจะเฉยเฉยจริงๆมันไม่ต้องมาเสียแซมันจะรู้สึกเฉยเฉยกับเรื่องต่างๆไม่ว่าดีหรือไม่หรือไม่ดีแต่จะเป็น อุเบกขาด้นี้ต้องเกิดจากการฝึกทมสมาธิทาจนใจสงบเป็นสมาธิจริงๆเป็นอุเบกขาจริงๆการที่เราจะมาเป็นอุเบกขาโดยการบังคับนี้เป็นไปไม่ได้เราต้องฝึกทมสมาธิอยู่เรื่อยไม่ว่าเราจะใช้วิธีทาสมาธิแบบไหนก็ได้เบื้องต้นจะฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็เป็นการทำจิต ให้เป็นอุเบกขาในระดับหนึ่งและต่อมาเราก็มาสวดมนต์ก็จะเป็นอุเบกขาอีกระดับหนึ่งแล้วต่อมาเราค่อยมาทําทําบริกรรมพุทโธพุทโธก็จะเป็นอุเบกขาอีกระดับหนึ่งหรือดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ข้อสํำคัญขอให้มีสติอยู่กับการกระทํานั้นๆถ้าเราฟังเทศก็ให้มีสติอยู่กับการฟังเทศ ถ้าเราสวดมนต์ก็ให้มีสติอยู่การสวดมนต์ถ้าเราบริกรรมพุทธโธก็ให้อยู่กับให้มีสติอยู่การบริกรรมพุทธโธถ้าเราดูลมหายใจเข้าออกก็ให้มีสติรู้อยู่กับการหายใจเข้าออกอย่าให้ใจหนีไปคิดเรื่องอื่นถ้าไม่ใจไม่คิดเรื่องอื่นแล้วไม่นานใจก็จะรวมนองเข้าสู่ความสงบ แล้วตอนนั้นไม่ต้องบริกรรมก็ได้ไม่ต้องดูลมก็ได้เพราะใจไม่ไปไหนแล้วถ้ารถก็เป็นเหมือนรถที่จอดนิ่งแล้วดับเครื่องแล้วติดใส่เบรกแล้วตอนนี้ก็สบายคนขับจะนั่งจะนอนหรือจะเดินไปไหนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้ารถยังวิ่งอยู่แล้วคนขับไปทำอย่างอื่นอย่างนี้ก็จะเกิดอันตรายขึ้นมาได้ ใจก็เหมือนกันใจก็เป็นเหมือนรถยนต์ถ้าใจยังไม่เข้าสู่สมาธิยังไม่รวมลงเป็นเอกตาว์เป็นอุเบกขาใจก็ยังทํางานอยู่ตอนนั้นก็ต้องมีสติคอยคุมคอยเฝ้าอยู่ถ้าไม่ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็จะสั่งให้ใจไปทําตามอารมณ์ทันทีแล้วความเสียหายก็จะเกิดขึ้นตามมา ดังนั้นเราต้องฝึกทำสมาธิอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้ควบคุมใจของเราเลือกจอดใจของเราให้หยุดนิ่งเวลาใจหยุดนิ่งแล้วเราสบายเราไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลกับเรื่องการกระทำของใจเพราะใจจะไม่ไปทำอะไรนั่นเองแต่ถ้าใจยังไม่หยุดนิ่งนี่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้อะไรเดี๋ยวอะไรมากระทบเพียงเล็กน้อย ก็จะเกิดเป็นอารมณ์ใหญ่โตขึ้นมาได้จะเกิดการทำร้ายทำลายได้ขึ้นมาแล้วก็จะเกิดความเสียหายตามมาทั้งกับตัวเราและกับผู้่นและในที่สุดก็อาจจะต้องไปสงบสติอารมณ์ในคุกในตารางสู้เราฝึกหัดทาสงบสติอารมณ์นอกตารางดีกว่าเพราะถ้าเราสามารถ สงบสติอารมณ์ของเราได้อยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะปลอดภัยจากคุกจากตารางเราจะปลอดภัยจากการที่จะต้องไปใช้เวงใช้กรรมนี่คือเรื่องของการบำเพ็ญบารมีต่างๆวันนี้ก็พูดถึงสองบารมีด้วยกันคือเมตตาบารามีและอุเบกขาบารามีซึ่งเป็นบารณมีที่สำคัญ อย่างยิ่งสำหรับพวกเราในการดำเนินชีวิตประจำวันขอให้ลองเอาไปใช้ดูเถิดแล้วเราจะเห็นว่าการดำารงชีวิตของเรานี้จะเปลี่ยนไป ท, ทันทีเราจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเราจะมีเพื่อนมากกว่ามีศัตรูเราจะมีคนรักมากกว่าคนเกลียดและเราก็จะมีความสุขมีความสบาย ไม่มีภัยอะไรต่างๆมาคุกคามภัยต่างๆนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการกระทาของเราทั้งนั้นเกิดจากการขาดความเมตตาเกิดจากความอาฆาตพยาบาทเกิดจากการเบียดเบียนผู้อื่นเกิดจากการจองเวรจองกันถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วภัยจะมาเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเรามีแต่ความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่น ผู้อื่นเขาจะมาคิดร้ายกับเราได้อย่างไรดังนั้นจึงขอให้ท่านจงเห็นความสำคัญของการบาเพ็ญทั้งเมตตราบารรมีและอุบเบกขาบารรมีนี้ขอให้ท่านจงบาเพ็ญอยู่เรื่อยๆไปและความสุขและความเรื่มเยนเป็นสุขก็จะตามมาอย่างแน่นอนก <c oughs> ารแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เปลี่ยนเท่านี้ ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเอุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันน้สุขภะละโดยทั่วหน้ากำเธอ